ขึ้นไปบนสุสานกับพี่ยิ่งโดยมีลุงยอดกับเย็นเดินตามมาติดติดพี่ยิ่งต้องการมาครบลุมศพของป้าทองสบายซึ่งเป็นแม่แท้ๆของเขานั่นเองน่าเสียดายเหลือเกินที่ป้าทองสบายไม่มีกําลังสู้ชีวิตต่อไปท่า น, นึกว่าลูกชายของท่านตายไปแล้วแล้วก็ไม่มีใครรู้มาก่อนด้วยว่าพี่ยิ่งยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายทุกอย่างอยู่ที่กําลังใจเพียงอย่างเดียวอย่างลุงยอดแกมีกําลังใจดีเยี่ยม เชื่อในพระเจ้าเป็นที่ตั้งมีสติที่ยึดมัน่นแล้วในที่สุดลุงแก่ก็สมหวังได้เห็นหน้าลูกชายตัวเองอีกครั้งดั่งใจหวังจริงๆนี่คงเกิดจากความศรัทธาเท่านั้นถ้ามีความศรัทธาในทุกเรื่องทุกเรื่องก็จะบังเกิดผลดีทั้งนั้นแหละพระเจ้าสรงตรัสไว้เช่นนั้นแม่ครับผมกลับมาแล้วแม่ไปสู่สุขสิทธิเท์เถอะนะครับก็ต้องเป็นห่วงผมแล้ว ผมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต่อไปนี้ผมจะไม่ให้พ่อลำบากไม่ให้พี่ๆน้องๆต้องลำบากครับผมจะช่วยพวกเขาเต็มที่ให้ลืมตาอ้าปากก็ได้ทุกคนผมให้สัญญาพระเจ้าทรงสอนว่ารักคือการให้ให้ความรักต่อกันให้อภัยซึ่งกันและกันให้อะไรก็ได้ที่อีกฝ่ายยิ้มออกแล้วคนให้ก็อิ่มใจด้วยครับแม่ยิ่งเ อ, อครับพ่อ แม่ของเองจะต้องดีใจมากๆเลยละเองมีรูปงามเหลือเกินเอาพ่ออะไรเฮียเย็นเองไม่ต้องมาขัดคอข่าลกนะข่ารู้แล้วว่าเองจะพูดอะไรออกมาเองจะพูดว่าข่ารู้ได้ยังไงว่าไอ้ยิงพี่ของเองงามใช่ไหมละ่ะเองจะถามเขาอย่างนี้ใช่ไหมหรอว่ะก็มัจริงไหมละ่ะพ่อก็พ่อเห็นแค่ลางๆเท่านั้นน่ะไม่จริงเว้ย ตอนนี้ข้ามองเห็นไอ้ยิ่ยงชักเจ้าดวอเลยเฮ้ยไม่เฮ้ยละไม่ได้ยังไงอะ่ะไม่รู้แล้วเว้ยข้าเห็นไอ้ยิ่ยงก่็แล้วกันแหละท่านน้าพ่ออํามอีกแล้วพ่อด่าเอาใช่ไหมล่ะแต่อย่างที่พ่อว่านั่นแหละพี่ยิ่งหล่อมากครับพี่ฝนก็สวยมากเหมือนกันนะครับเอพวกเขาเนี่ยเหมาะสมกันมากใช่ไหมครับพ่อพูดอะไรกันเนี่ยไม่เห็นเข้าใจเลยพี่ยิ่ง <laughs> <laughs> พี่ยิ่งเข้าใจรึเปล่า <laughs> พี่เข้าใจดีทุกอย่างอะ่ะ ก็ เ, เหมาะสมเป็นจริงๆอ่ะพี่ยิงเ น, นี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้สิก็พูดความจริงไงเราอี่มาตู่กันหน่อยเลยขี่จุกใ บ, บ, บ, บ้เบ๊ขี้ตุจะลาก็จะเบกหมดแล้วอ่ะ <c oughs> นี่เรากําลังอยู่หน้าหลุมฝังศพของป้าทองสบายนะคะมาคุยกันแล้วก็หัวเราะแบบนี้ได้ยังไงเราได้อยู่แม่เองของข่าเนี่ยเขาไม่หวาอะไรหรอกถ้าวิญญาณของแม่เองอยู่แถวเนี่ยนะก็คงจะหัวเราะไปกับพวกข่าแล้วล่ะ แม่เองจะต้องมีความสุขเหมือนกับที่ขา่ากำลังมีความสุขอยู่นี่งไงลุงเนี่ยพูดแบบนี้ะฝนก็เขินแย่นี่ไม่ต้องเขินมันเรื่องจริงทั้งนั้นนะพี่ยิ่งเนี่ยว่ายป้าเรียบร้อยแล้วหรอเรียบร้อยแล้วจ้ามีอะไรจะสั่งการอีกไหมออุ้ยสั่งการเลยเหรอก็ <laughs> ต่อไปเนี้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่เธอแล้วนี่นาพอเราแต่งงานกันจะเป็นทางการแล้ว พระยะรัฐมนตรีก็เตรียมตัวรับพระราชทานอิสริยยศเลยครับจริงเหรออืมเรียนพระคุณอล้นพนหาที่เปรียบนี้ได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้านางสาวน้ำฝนโดนสิทธิ์ที่กุลโดยกล้าด้วยกล่อมขอเดชะอ่อเดี๋ยวเดียวฝนคะไม่มาไม่ถึงเลยอ่ะก็รู้แล้วแต่พี่บอกว่าจะได้ไม่ใช่หรอคะตราทาความดีเพื่อชาติบ้านเมืององค์พระหลวงท่านก็ทรงเห็นและทรงเมตตา พระเจ้าสอนไว้ว่าความดีเนี่ยจงทําไปเถอะแล้วต้องหวังว่าผลจะตามไปยังไงไม่ต้องไปหวังจงทำไปเรื่อยๆด้วยความตั้งใจจริงใจและสักวันหนึ่งความดีก็จะส่งผลดีย้อนกลับมาให้เราเป็นร้อยเท่าพันทวีคูณชนะฝนเชื่อค่ะดีมากที่ศรัทธาในพระเจ้าค่ะตกลงว่ามีอะไรจะสั่งว่าที่เจ้าบ่าวคนนี้อีกไหมฮึ <i> <i> <i> <i> อ้าวฝนสั่งเลยลูกสั่งสั่งให้ยิงอุ้มเองไปขึ้นรถเลยไปเลยครับเดี๋ยวจัดการให้เอ้าอย่านะที่ยิ่งอย่านะ <i> <i> นี้จะให้พี่ไปไหนฮะไปที่โรงเรียนเราไงคะอยู่ใกล้กันนี้เองอะค่ะปะทำไมเหรมีสป라이ส์ค่ะจริงอะจริงสิคะสป라ลส์อะไรบอกได้ไหะบอกได้ยังไงล่ะบอกแล้วก็ไม่เรียกว่าสป라이ส์สิคะอยากรู้จังว่าอะไรนะไม่ถึงโรงเรียนของเราพี่ยังก็จะรู้เองนั่นแหละค่ะโคตรแบบเนี้เหมือนคนเจ้าเล่ห์นิดนิดนะเนี่ยน่่น่านไงลึกแล้วเชียวเจ้าเล่ห์แสนกลนะไม่จริงค่ะฝนไม่ได้เจ้าเล่ห์สักหน่อยจริงเหรอจริงสิคะ จะเชื่อดีไหมเนี่ยเชื่อเถะค่ะคำพูดที่หลุดออกมาจากลูกของพระเจ้าเชื่อได้เต็มร้อยค่ะไม่บิดเบี้วแน่นอนอ๋อเชื่อก็ได้ที่เชื่อเพราะเชื่อพระเจ้ารอกนะจ๊ะรู้ค่ะพี่ทำตสัญญาแล้วจ๊ะค่ะแล้วฝน ล, ล่ะฝนทําไมล่ะคะฝนสัญญารกับพี่ไว้จำได้หรือเปล่าฮะลืมหมดแล้วล่ะคะ่ะเค้ยลืมได้ไงลืมไม่ได้เด็ดขาดเลยนะแล้วยังไงล่ะคะนะี่พี่วางแผนเรียบร้อและ้ะสุกนี้นะ จะให้ผู้ใหญ่ไปขอฝนแต่งงานและจะเข้าทำพิธีในโบสถ์กันสุขที่ถึงเนี้ยนั่นเหรอคะโอไม่ก oh ็ทำไมรวดเร็วปานสายฟ้าฟ้าดจังนี้นะคะพระเจ้าสั่งมาพี่ต่งหากแหละที่ส <c oughs> เองจริงๆนะเชะิ๊กคเจ้าเล่ก็คือพี่ยิ่งนี่เองอะ่ะเจ้าเล่ที่ไหนก็ฝนเป็นคนให้สัญญากับพี่เองนี่นาว่าถ้าพี่ทำตามสัญญาทุกอย่างได้ฝนนีะแต่งงานกับพี่แต่ฝนไม่ได้กําหนดเวลานี่ไปเป็นไดรล็อกเรื่องเวลาเนี่ย พี่จะเป็นคนกำหนดเองแล้วพี่กำหนดเรียบร้อยแล้วด้วยว่าลูกคนแรกของเราอ่ะจะให้เกิดเดือนไหนคนที่สองเกิดเดือนไห น, น <laughs> คุณกำลังติดตามรับฟังละครวิทยุรักอภัย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 b a u t i f h a t k n o m e not r e k y o see u a ของควัญลำคาใหญ่มองเห็นได้อยู่เสมอเพราะเธอสวยงามที่ใจและส่ามรักฉันมันคือความอัศจรรย์เลือกันบางคารงควารควจะคงอัดเลอะไป เธอลองมองความเป็นเธอที่ซ่นไวมันทำให้เธอยิ่งสวยงามมันทำให้ฉันยิ่งรักเธอทงที่เธอเป็นเธออย่าง มองเห็นได้ใและรับรู้ได้าเธอคือของขวัญล้ค่ายิ่งใหญ่มองเห็นไดอยู่เสมอเพราะเธอสวยงามที่ใและสรับฉันมันคือความอัศจรรย์ Oh, oh, oh, oh. o h e r o m e w h e o m e w h e r e s o m s o m e o e h m e r s o e t a l That I wrote for you. Please k i v e it in your heart. I need some. ใจที่ยังไม่บอกเธอวันนี้ฉันจะกระซิบให้ฟังหมดทั้ง ใจเราไม่เคย ให้ฟังหมดทั้งใจจะทำเองคันท้าที่ฉันและเธอนี้คืนนี้จะหายไปตอบทุกความในใจที่เรารู้สึกตรงกันทุกอย่างคือเธอและฉันเราอยู่ด้วยกันก็บพบแต่คำตอบที่สวยงามจะ น, นานไหมตลอไปใช่ไหม ให้เธอมันคงเป็นความรักรักที่เนเงาไม่เคยงาไม่เหมือนใครลทุกความในใจที่ยังไม่บอกเธอวันนี้ฉันจะกระิบให้ฟัง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 โอ้โหเป็นไงคะโรงเรียนของเราจะร้ขึ้นเยอะเลยแน่นอนอยู่แล้วขนาะพี่ยิ่งเจริญรุ่งเรืองจนเป็นรัฐมนตรีไปแล้วนี่เป็นด็กมากกว่าไหมเยอะกว่ารลายร้อยเท่าค่ะเห็นไหมพื้นที่ว่างข้างหลังเนี่ยขยายโรงเรียนออกไปจนเต็มแล้วเออใช่เดี๋ยวพี่ยิ่งไปนั่งรอที่หอประชุมเลยนะคะอา้าวแล้วฝนเหรอจ๊ะมอไปกับพี่เหรอฝนต้องเทนเด็กออกไปเต้นรําแล้วก็ร้องเพลงเพื่อยกย่องพี่ยิ่งยังไงล่ะคะว้าว มีการจัดงานต้อนรับพี่อย่างสมเกียรติแะเรื่องไงฮะค่ะไปรอที่หอประชุมก่อนนะคะคณะของพี่นั่งรออยู่ที่นั่นแล้วรวมทั้งพี่ใหญ่พี่เยี่ยมพี่ยงพี่ยมแล้วก็พี่ยอดด้วยพวกเขามารอต้อนรับพี่ก่อนหน้านี้แล้วอ๋อเหรอแล้วพี่จะเดินเข้าหอประชุมยังไงอ่ะพี่ก็ไปกับลุงยอดพ่อของพี่ยิ่งยังไงล่ะทางโรงเรียนเนี่ยจัดที่ให้พี่กับลุงยอดไปแถวหน้าสุดให้นั่งกับครูใหญ่นะคะครูขนาดนั้นเลยเหรอที่รักค่ะส่วนเย็นนะคะให้ไปนั่งรวมกับพี่ๆทั้งหมดค่ะได้จา เลยนะจ๊ะเราประคองพ้อไปในหอประชุมโรงเรียนเป็นเลาหลายสิบปีแล้ว ที่เราไม่มีโอกาสได้กลับมาไหว้ครูกลับมาอีกทีนึงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเกือบหมดเวทีก็ตกแต่งใหม่อลังการและเกิดพี่นักเรียนยืนเข้าถ่ายอยู่บนเวทีเตรียมจะร้องเพลงประสานเสียงแล้วเห็นพานาลักอดพูดถึงตัวเองสมัยยันเด็กๆเรียนอยู่ชั้นป .5 ป .6 ไม่ได้ตอนนั้นมาช่างตื่นเต้นซะยิ่งกว่าไรแต่มาตอนนี้ความรู้สึกนั้นกลับเป็นอีกแบบนึงรู้สึกตื่นตันใจ ทุกคนให้เกียรติยกย่องเรามากเหลือเกินมากจนยากที่จะบรรยายบรรทอยคําได้หมดในหอประชุมมีเหล่าคณะครูนั่งรออยู่ก่อนแล้วทุกคนยืนขึ้นเป็นการให้เกียรติกับเราครูใหญ่เดินมารับเรากับพ่อเพื่อไปนั่นตรงกลางแถวหน้าสุดเสียงปรบมือดังเกลียวกลางดังกึกก้องไปทั่วหอประชุมเลยทีเดียวขอบคุณครับขอบคุณ รชอช่อดอกไม้ซึ่งคณะของเราจัดเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วไปให้กับมือของเธอเธอผู้ซึ่งเป็ น, นาดนาวดวงใจของเราน้ำฝนชื่อนี้จะตราตรึงไว้ในดวงจิตของเราตลอบชั่วนีวินเราเธอทำได้ดีมากช่อดอกไม้สำหรับเธอที่รักขอบคุณมากค่ ะ, ะพี่ยิง่งต่อไปนี้เราจะไม่จากกันไปไหนอีกแล้วนะ เมื่อพูดอะไรตอนนี้แล้วเดี๋ยวสีก็ออกทางไม่หรอกจอกได้ไงก็ผมปิดไม้อยู่อ่ะมีเอาพอแล้วพี่ยิ่งต้องพูดอะไรบ้างแล้วล่ะพี่ไม่อยากพูดอะไรนอกจากจะพูดว่าพี่รักเธอที่สุดน้ำฝนพี่ยิง่งรักกันแล้วมีอะไรต้องอภัยกันนะจ้ารักอภยัยจ่ะตกลงไหม d ดาลิ่งตกลงก่ะพี่ยิง่งดอกรักดอกเนี่ยขอพรมรตัวเลน้อยตัวนี้น ได้ดอมดอมไปจนชดทิตนิรันต์ด้วยเจนานะยอดรักค่ะพิงอ์ห่<ข>อไม่เกินอ่ะจูมฝนไปไหนไม่นะฮ่่